เสัญญาบนมีกายจะขอทกทวนความรี้ตนต้อมีข้อใดรืดว่าสอนไปสอนมาสอนมาสอนไปสอนไปถึงพระอนาคามีแต่ว่าบางเอินบางท่านยังไม่ได้ปไมชานเลยตร น, นี้นี่ก็ต้องขอทวนตั้งเอาไว้เสมอเสมอ อย่าสอนเลยถทาเราเหตุผลแเดงอย่าลืาลลมต้นสี่ <c oughs> นี่ต้องดีเร า, าต้องพึงนี่จำว่าการปฏิบัติธรรมฐ า, านเราทํากันเพื่ออะไรนี่จงจําไว้ว่าการปฏิบัติธรรมฐ า, านเนี่ยเราทํากันเพื่อความดับไม่มีเชื้อนี่คอยทราบเจตนาไว้ ด, ด้วยการบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาก็ดี ในการประกาศตนเป็นบาปของบาสิกสีกายดี้จงรู้สึกตัวไว้เสมัยว่าเราเข้ามาในเขตพระพุทธศาสนาเพื่อความหวังทีค่ความดับไม่มีเชื่อคือว่าดับเพื่อมีเชื้อไหมความวา <c oughs> เราจะตัดรากเหง้าของขีิเลวกให้หมดไปไม่ใช่แต่โล ค, ความโลกหรือว่าคาความรักอันนี้ตัวเดียวกัน โทษะความโกรธโมหะความหลงเป็นนวราข้าวของวิเลยทศนิยการทะแยอกะเบีสยประการครานีา้เราจะทำลายให้หมดเชื้อไม่ต้องการให้เหลือเลยแม้แต่สิ่เดียวแต <c oughs> นแล้วถ้าว่าอารมณ์จิตพวกเรายังติดเชื้อของวิเลพยางใดอย่างหนีอยูอย่ ก็เชื่อว่าเป็นผู้ยังไม่เข้าถึงพระธรามกายหรือว่าพรสว่างหรือว่าพระพุทธศาสนานี่การปฏิบัติเพื่อความดับไม่มีเชียท่านทำยังไงนี่เราว่าคณะสาสุขาวิปัสสโกง่ายดี <c oughs> นั่นก็คือก่อนที่จะภาวนาใดยดทั้งหมดให้ใช้อารมณ์คิดว่าจิตเอง ว่าเราจะได้มีชันทากกับราคะท้งสองประการนี้ในโลกนี้ทั้งหมดชันทากใจเราความพอใจพอใจในอัตภาพที่เราทรงอยู่ก็ดีพอใจในคนเองที่รับราดสนาจะครองคู่ก็ดีพอใจในทรัพย์สินที่เราหามันได้โดยชอบธรรมก็ดี เมื่อพอใจเลยการเกิดมาใหม่ก็ดีอันนี้จะไม่มีสำหรับเราเราไม่ต้องการมันทั้งหมดและเมื่อเราไม่ต้องการร่างกายที่อย่างเดียวอย่างอื่นเราก็ไม่ต้องการด้วยเ <c oughs> พราะทำไม่ต้องการในที่นี้ว <c oughs> ันมหมายความว่าจะแนะนําให้ฆ่าตัวตายอันนี้ใช่ไม่ได้ให้มันเป็นความรู้สึกของเราโดยเฉพาะ เห็นว่าชาดีวิตุขาความเกิดเป็นทุกข์ชราวิตุขาความแต่เป็นทุกข์เมื่อนำมิทุขังความตายเป็นทุกข์โศกทีพโทุกขตมนัสสบายญาติความเศร้าโศกเสียใจจากการท้าทาจากของและของชอบใจเป็นทุกข์ไม่ทุกข์มันมีที่ไหนอาศัยอะไรเป็นปัจจัยเกิดทุกข์ เล้วก็อาศัยที่เรามีร่างกายเป็นสำคัญถ้าเราไม่มีร่างกายเป็นคันห้าแล้วอย่างนี้จิตเราก็ไม่มีที่อาศัยสําหรับในมนุษย์สโลกนี้เมื่อจิตเราไม่มีที่อาศัยในมนุษย์สโลกนี้แล้วจะทํายังไงอะไรมันจะเป็นทุกขก็หมดเรื่องทุกข์ความทุกข์กันที่เราทุกข์เพราะว่าทุกข์เราเกาะคันห้าเป็นสำคัญ มีชั้นทัศคือความพอใจความรักในชั้นห้าคือร่างกายเมื่อความรักความพอใจในร่างกายไม่มีมันจะมีอะไรบ้างที่เป็นทุ ก, ก, ทกข์ชราเป็นทุกข์ขาความแตกเป็นทุกข์ในเมื่อเราไม่มีร่างกายแล้มันจะทุกข์ได้อย่างไรอจาจะละเมล่เมรามนำเปทุกข์ขังความตายเป็นทุกข์ในเมื่อเราไม่มีร่างกายแล้วก็จะอะไรกันตายกัน สุขะอิเควัตุตตโมนักสบายยากเรามีความเศ้าโศกเสียใจเพราะทราบได้จากสิงของที่เราชอบถ้เรารักเรารักเราชอบใจเมื่อเมื่อเราไม่มีร่างกายแล้วเราจะมานั่งเกิดความรักความชอบใจในอะไรทั้งหมดไม่มีร่างกายเรารักบ้านอย่างนี้นลเรารักไรนาสาโทเลยรักงานในตําแหน่งหน้าที่เลย รักความมั่งมีสีสุขรักเครืองบรรดากลักเพื่อนรักพ้องรักพี่รักน้องเจ้าอะไรที่ไหนมาล่ะเพราะมันไม่มีใจรักในเมื่อมันไม่มีใจรักสิ่งทั้งหลายแล้วนั้นจะสลาย่ไปในขนาดไหนก็ตามในเมื่ออารมจิตเราไปเกอะความทุกข์มันก็ไม่เกิดนี่เป็นอันว่าความทุกข์จะมีได้เพราะสายขันห้าเป็นสําคัญ แล้วก็ตัดความพอใจในขันห้าเสีที่เจรณาขันห้าว่ามันเป็นโทษตามความเป็นเจียงไม่ใช่ยามันหน้าก็แลเห็นว่ามันเป็นโทษขันห้าเป็นโทษตรงไหนเรามีขันห้าที่ร่างกายที่กายงานทุกอย่างที่เราทําความไม่อ ย, อยากทุกอย่างที่ปรากฏ ถ้าความไม่สมบายกายไม่สมบายใจกระทบกระตั้งอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจปรากฏแล้วความเหนื่ยยากใจกันบริหารเรื่องร่างกายปรากฏ <c oughs> นี่มันเราทําเพื่ออะไรกันเราก็ทําเพื่อขันห้าที่ร่างกายเท่านั้นยี่งเมื่อเราทําเพื่อขันห้าที่ร่างกายาเพราะก็แปลว่าร่างกายมันเป็นเหตุให้เราทํกากิจการงานอย่างนั้น มีแค so it so so so ่เราไม่มีร่างกายสิเรื่องที่เราจะซื้เสื้อซี้เก่งซื้อผ้านุ่งซื้อผมไม่ใช่จะร่างกายมันจะมีไหมในเมื่อเราไม่มีร่างกายแบบนี้ก็ทืนซี้อมาแบบนั้นแล้วก็เห็นว่สติไม่ดีมีการเสาะหาอาหารมาเพื่อบริพุกบำรุงร่างกายนเมื่อเราไม่ได้กายมันจะต้องหาอาหารมาไหม ถ้าเราหามาก็นาดกลวยจะต้องไปอยู่ปากของสารก็ในเมื่อมันไม่มีร่างกายจะกินมีการป่วยไข้จะสบัยที่ทุกคนจะเพัฒนานเพราะการป่วยไข้ต้องเสียเงินค่ายาเราเสียเงินค่าหมอต้องเสียาาเวลากานไงไอ้นอี <c oughs> ่เพาะอะไรไม่ใช่เพราะร่างกายถ้าเราไม่มีร่างกายเราจะมีการป่วยไข้ในสมยัยนี้ มันก็ไม่มีเพราะไม่เมืความตายกันมาถึงเราทุกข์เพราะกามตายไม่เมื่อเราไม่มีราม่รางกายจะตายแล้วเอาอะไรามาตายกันความทุกข์เพราะอีกที่มันก็ไม่มีการเราพัฒนาเจของรักของชอบใจนีที่เรามีอย่างนั้นได้เพราะเรามีร่างกายถ้าเราไม่มีร่างกายฉะนั้วอาการพัฒนาเจของรักของชอบใจมันจะมีไหมมันก็ไม่มีมม เป็อันว่าร่างกายนี้เป็นดินแดนํามาสร้ความทุกข์ไม่มีอะไรเป็นปัจจัยแห่งความสุขเนื่อร่างกายบรรจงศัตรูร้ายสร้างให้เรามีความทุกข์เราคุจิตที่เข้ามาใช้เนื้อร่างกายมันแท้งเรามีความทุกข์อย่างนี้เราจะมีความพอใจในมันอยู่หรือเปล่าไง เ้ามีความพอใจในมันเราก็โง่ทิ้งทีเหมืนกับเราไกลพบโจรไว้ในบ้านโจรทาลายล้างความสงบสุขทุกอย่างทําลายล้างทรัพย์สินทุกอย่างแล้วเราจะมันนั่งรับโจร น, นั่งปารถนานในโจรมีความอะไรในโจรให้มันล้างมันขัดเราอย่างนี้ชื่อว่าปเป็นความสุขกับความทุกข์เราก็เห็นว่ามันเป็นความทุกข้อนี้มมาชั้นใด ร่างกายก็าถือว่าเป็นโจรรายสำหรับใจเราด้วกัน <c oughs> มันเพื่อความสุขของจิตมันบังคับให้จิตเราต้องการโน่นต้องการนีน่ต้องการนั่นมาเนเดเผอร่างกายแต่ไม่ร้องสงสัยประจอมใจแต่ว่าถ้าเราต้องการความหลับไม่มีเชื้อเรวก็ตัดฉันทะความพอใจในร่างกายที่อยา่างเดียวร่างกายนี้จะไม่มีสําหรับเราอีก ชาตินี้มันมีขึ้นมันก็ไม่ใช่เราไม่ไมใช่ของเราไม่เป็นของเกิดขึ้นตามธรรมชาติของกิเลส ก, กังหาฝ่ายารรมและผลผลกรรมสร้างขึ้นมาเป็นโครงบัตรล่อเหยื่อตัวสงคัญคือจิตของเราไอจิตของเร า, งเรางโง่สายงโง่อรที่จะมาเกิดถ้าเป็นเทวดาและวเป็นพรหรือว่าเป็นอะไรก็ตามมันมีสภาวะมองเห็นได้มองเห็นโลกได้ ก็รู้แล้วว่าโลกนี้คนที่เกิดมาเด็กแต่ความเป็นเด็กมันก็ลําบากก็ช่วยตัวเองไม่ได้แต่ให้ตัวเองเขช่วยเมื่อทุกตัวเวทนาไมาเกิดขึ้นเราจะช่วยแค่เราแต่เขาจะมาช่วยเราก็เสนจะยากเป็นเด็กต้องร้องเสียก่อนเขาจึงจะรู้ว่าหิวแต้องร้องเสก่อม่มีอาการอย่างอื่นจะมาเขาจึงจะรู้ป่วยไข้ไม่สบาย นี่เป็นเด็กมันก็ทุกเรามองเห็นได้เป็นโดนได้แล้วคนแล้วเป็น เ, เปิดเฉพาะหินคนได้เมืเ่อเกิดขึ้นมาด้วยความเป็นเด็กใหญ่ก็ยุ่งปฏกิจการงานท้องบ้านจะต้องทำยุ่งในการศาึกษาเพื่อปรัชนาจะได้มาเสี่อาชีพเมื่อเป็นเด็กโตขึไปเพราะการศาึกษาก็ยุ่งในการประกอบอาชีพหาเลี้ยงชีพ หาเรี่องคบตัวหาเรื่องกทเรื่อาเรื่ดาติี่ดาสามีมัน เ, นน เ, เนต็มไปดวยความไม่เกรงเพราะว่าในทีสุดก็ตายเรามองเห็นก็อยู่เสมอแต่เส้นดานจิตของเราไม่ชั่วถั้งที่เห็นคนเองเขาแดงฆ่าเจ้ากฎหเ ร, า, ร า, าก็ยังจะเกิดอยากมาเกิดเป็นมนุษย์นี่เป็นอันว่าจิตเดินของเราไม่ชั่วมาก มันเชื่อมกิเลสตัณหาปาทานและโุสสนธรรมเวลานี้เรามาเจตคําภีรส์สาวนอยสมเด็จพรสัมมาสัมพุทธเจา้าที่เราเรีย ก, กว่าวั่นวิชาใหม่เอาวั่นวิชาใหม่นี้ให้ความว่าให้ใหม่เนี่ยมันแปลว่าสําเร็จมันมีตามเห็นสมเด็จเกิดขึ้นได้โดยน้าของวิชาคือตามรู้ พิชาไม่ใช่ความรู้พิชาเราความเฉลาดเป็นความรู้รู้จริงเห็นจริงทุกอย่างความจริงปรากฏนาทีทุกอย่างแต่เราไม่รู้จักจําถ้าเราไม่รู้จักจําตรงนี้แสดงว่านมัวไปแสดงเราหยิบแว่นผิดนะประยัดมีแต่ว่านชี้ดำเราเลยมองอะไรไม่เห็นแว่นสีดาก็คือกิอออเลสปัญหาบาทธนและกุศลกรรม ที่เราพบกันใหมันนี่วันนี้ชาไม่จริงๆก็ได้ตรายรัศ น, นีย์เออมีความเข้าใจในคำว่าอริอนิพพาคือโลกนี้หาความเที่ยงไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาในโลกไม่มอะไรเที่ยงโลกนี้เต็มได้ความทุกข์ถ้าเราไปยึดไปถือมันมันก็เป็นปัจจัยของความทุกข์แล้วก็ทําให้เราเกิดความเหน็ดเหนื่อยไม่อล้า ถ้าเราไม่ีความลำบา้วยการประกอบกิจการงานไม่มีอะไรจะดีแต่ถ้าหากว่าเราใช้วันวิชาใหม่ก็ได้แต่ใจรักสยัยญาณรู้จักว่าโลกเป็นอันจังหาความเที่ยงไม่ได้โลกเป็นทุกข์ขังเพื่อเต็มด้วยอารมณ์ความทุกข์โลกแอนัตตาเนะั่ยเมื่อเราคิดว่าเราจะอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยแต่ความจริงไม่ใช่แล้วก็ต้องตายจะติด้ปจากมัน นี vre, ่เพ well, so ื่อมาตัวให้ตัดชั้นแทะความใจในโลกีวิสัยเสียแล้วก็ตัดราคะที่ในตาของเราไม่นหลวงก็เรื่องตัวสวยนี่ตัวงามนั่นก็ไม่นตรงนี้กับแง่้ไหนมันมีอะไรสวยจริงๆบ้ากถ้าสวยจริงมันต้องสวยตลอดกาลตลอดสมัยไม่มีการสุดสมแล้วทุกเกิ่งทุกอย่างที่เป็นสมบัยของโลกมันเต็มในความทุดสมแล้วมันจะสวยได้ยังไง ที่กำลังใจที่เห็นว่าสวยร่ำกำลังใจที่เต็มไดความโง่ถ้าเป็นอันว่าแล้วก็เลิกเกษียณเลิกพบความโง่เกษีตั้งใจไว้ดดีว่าเราเอามาในเขตขอศาสนาแล้วต้องการความดับไม่มีเชื่อดับอันตรายเรื่องหน้าของกิเลสดับดับความโลภที่อยากร่ำโดยเรื่องหน้าของกิเลส ดับตามดับตามตัวที่เป็นกิเลสเป็นแต่ใจให้เราลองดับความหลงเหวี่ยงว่าของมันเป็นจริงตามนั้นแต่เราว่ามันไม่จริงอื่นอารมณ์เกิดแก่เจ็บตายเป็นของจริงแต่เราทุกวันเราไม่ยักนึกถึงตัวเราว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนี่จัดว่าเป็นความโง่อันท้าพานทั้งประเทศโง่ทั้งบด เมื่อ โ, โดยไม่ใช้ปัญญาเป็เครื่องพิจารณายบอกมันมองไม่เห็นเราก็เลกไปตั้งต้นชีวิตกันเสียอใหม่ว่าไอ้ ก, การเกิดที่ไม่มีความสุขเกิดแล้วกิดแล้วกันไปแต่ย่อาใจเขายึดถือว่าร่างกายมันเป็นเราเป็นพวกเราเราตัดชั้นทะในร่างกายคือความพอใจในร่างกายเสีย อัดลาคระทิมละลายกายพวกเรามีแข็งแรงสมรรสวยสดสวยงามสดสงดีเลิกคิดกันเพราะแรงกายนี้มันไม่มีกายสรงตัวนี่เป็นมาทวนความรู้เดิมกันเราบวการบทเข้ามาในพระไตรปศาสนาเนี่เข้าเขตพระศาสนาเนี่ยเข้าศึกษากันแบบนี้ศึกษาเพเพื่อความดับไม่มีเชื้อ ดับตรงไหนดับตามความพอใจหรือความรักใคร่หรือร่างกายสวยนั่นเองยบยอดเธาเราไม่โหร่างกายที่อย่างเดียวร่างกายมันจะป่วยกว็เชิญป่วยมันเป็นของธรรมดาร่างกายมันจะแ ก, ะก่ก็เชิญม่แก่เพราะมันเป็นของธรรมดาร่างกายมันจะตายก็เชิญมันตายเพราะมันเป็นของธรรมดา จิตใจยอมรับตาผีธรรมดาอย่างนี้แล้วก็ไม่คิดก็มันน้อมกับไปนี่มันตัดร่างตายซะไดกแล้วความรักกินเงี้ยไปเลยกิเลสมันจะมีจากทางไหนมันไม่มีไม่ได้เมื่อางอยากแย้มโลยจะได้ของกิเลสมันจะมาจากทางไหนอบโผลไปที่ไหนกัน ก็โกรธอะไรใจแล้วก็ไปไม่ได้มันต้องเรื่องส่งใจสิ่งของความดี <c oughs> นี่ความปวดความเมยบาดเนี้นบางคนเองนี้ก็ทำให้เราไม่ชอบใจมันก็ไม่มีเพถือว่ามันจะเรื่องมันได้คนเราเกิดมามีจริยาไม่เสมอกันอยากบ้างละเอี ย, บยดบ้างคนหยาบยากแล้วก็พูดชั่วคิดชั่วทำชั่วยู่ตลอดเวลาื่อไม่ลว่างยนีเ่อชอวเเก่ากาสาว ผ้ากาสาวพัดไม่สามารถจะจํากัดความชัวม่วของบางคนที่สกปรกผ้ากาสาวพัดใหลดตัวลงได้อารมณ์ที่เห็นว่าตนเองขเขเร็วถ้ามีิีรเพียงชาวบ้านชาวเมืองว่าตนนเร็วก็ น, น, น, นม่เร็วทั่นแสดงว่าเราเนะีมันแสนชันเร็วถ้าเราไม่เลว็วแล้วเราจะเห็นใครคนอื่นเร็วได้ยังไง ถ้าเราไม่เลงมีจิตอาจิตวาในทั้นห้าซะได้เขาถือว่านั่นเรื่องธรรมดามันจป็นไปตามสภาพกฎของกรรมนี่เป็นอนุว่าถ้าเราตัดทันห้าในอย่างเดียวความรักในเกศความโลภความเกลีความหลงมันก็หมดไปเมื่อความรักความโลภความเกลีความหลงหมดไปใจเราจะเข้าไปไหนใจเราก็หมดเชือ่อของความทุก เที tay, tay, ่ยงจะทุกท i mean, ok? ีสีอย่างจันมีสามแล้วขออีก่างเป็นสีทุกต่อความรักยโตชาญาโสโกิยโชาญยะนบอกว่าความเศร้าโศกเสียใจเกิดจาบความรักเป็นทุกข์ให้อันตรายที่จะเกิดเรได้เพราะอาศัยความรักเมื่อของที่เรารักถูกนำลายของที่เราเรรักถูกอะไรกแล้วเราก็ต้องเข้าป้องกันอันตรายมันก็เกิด นี่เป็นอนันว่าราวางกันห้าเส้นได้แล้วหมดไอ้จิตที่จะรักมันก็ไม่มีที่จิตเป็นโลกมันก็ไม่มีจิตที่จะโกรธมันก็ไม่มีจิตที่จะหลงมันก็ไม่มีเ ม, ม, มื่อมันไม่มีทั้งหมดใจก็มีอารมณ์วา่างถ้ามว่างในทีนี้ว่างจากกิเลสตัณหาป่าทานอนโกศกสุนตธรรมว่างจากความรักในเพศว่างจากความโลกว่างจากความโกรธว่างจากความหลง ไม่มเมื่อมันอารมณ์ว่างจากอารมณ์พวกความชั่วจิตก็เกาะอยู่ได้ความดีเขาก็อยู่ในความชุ่มชี่นติปิอยู่ในความบริสุทธิของจิตทําได้อย่างนี้องค์สมเด็จพระธรรมสัมมิตรทรงตรัสว่าท่านนั้นหลายบรรพุเข้าถึงความดับไม่มีเชื้อของจิตแล้วร่างกายมันยัเหลือเราก็ไม่ถือว่ามันเป็นสําคัญแต่เรียก ว, ว่าอาศัยมันทั้งมาเลยก็เชน อยากจะปวดไข้มามอะกเชิเแยกแยะมอะไรกเชิญมันเป็นเรื่องธรรมดาตเพราะว่าการา่ข้วนแบบนี้เป็นได้ของท่านสุขาวิบัสสโกเมื่ออันดับไหนเป็ิโชชล์ชะละ์ปิโยปิสามิตตปโตเขาก็ทำกันเหมือนกันแต่พวกนั้นเวลาจะทำใช้อารมณ์ชาญเขาเพียงที่สุดเพราะหลังออมาตั้อยู่ในอก อ, อปจารสมาธิแล้วเขาไข้คนปัญญามันเกิด พอจิตใจสั่นเราวิ่งเราหาสมาธิใหม่สำหรับสายสุขาริวัสโกนั้นพยายามคิดไข่คนใช้ปัญญาเป็นบุเรจาฤกษ์ถ้าเราบุเรจาริกษ์ใช้ปัญญาเป็นเรื่องหนาเอาปัญญาเป็นตัวนำนี่ก็หมายถึงสมาธิที่มีความเห็นชอบนั่งคิดไปพิจารณาไปรวบรคโรคลังใจไป ในที่สุดใจพวกเราถ้าเข้าถึงในเขตปส ม, มชายก็มันจะเป็นชายขึ้มนมาเองในตอนนั้นความเป็นพระอริยเจ้าในขั้นประสงดาสิตาการนาคาหังจะปรากฏมีได้อะไร บ, บ้าดาสุธตวริษองไรวันเวลาการเวลาผ่านไปแต่เขาจะมีฤทธิยามว่างว่างยามนับลมให้ใจหรือกำหนดรู้ลมให้ใจ ถ้าจิตมันมีความสุขจิตจะได้มีปราการทรงตัวขึ้นไปสมาธิเมื่อเราจับล้ใจเขาออกไม่ใช่ทำภาวนาด้วยก็ไดพอใจสบายลอยใจให้มีรมความสุขแล้วก็วางคำภาวนาในเชี้อถังเข้ามาพิจารณาเพื่อความดับไม่มีเชื้อต่อไปถ้าทําสลับสมาสลับกันไปอย่างนี้ถ้ารมชั่วในจิตไม่ช้ามันก็หมดไป เป็นว่าเราคนหลายเข้าที่สุดที่เร า, าพระพุทธเจ้าทรงกายในความดับนบิมิเชียของกิเลสแล้วต่อไป น, นี้ไปพระบรรดาท่านพระธรรบริสัทธหลายคายดันตั้งใจให้ตรงดำรงจุดให่งมันกำหนดรูล้ลงไม่ใจเข้าใจออกใจคำภาวนาและพิจารณาตั้งมัตญ า, ยายสายดีกต่าจะได้ยินสียงญาณบอกหมดเวลา